บุ๊กท5ห้าสิบห้าการทางานโรบอต้าคุณทาอาชีพอะไรคะคทัวร์ซ์อาโปรเสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ м ีชายคนหนึ่งลีกษะในอาชีพเดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงฉัจะได้รับเงินบำนาญอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญแต่ภาษีสูงมาก а т к и в и с о к і และค่าประกันสุขภาพก็สูงอิเม с т р а х у в а н н я д о р о г หหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตคิมที่คุณต и อง с าร т ะเปนูอยากเป็นวิศวกรฉันอยากเป็นว н е р о м หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย хочу навчатися в університеті ดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัดดิฉันมีไรายได้ไม่มาก Я заробляю небагато ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Я проходжу практику за кордоном นี่คือหัวหน้าของดิฉันเ е มิเกอริฟนิดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี Я маю люб'язних колег เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอในอุบิด и ิซาวจ์ด о หอดิมูด ดิฉันกำลังมองหางานยาสุกายุดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ ว, ว ร, ริบที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากการการุเร ร, ร, รุณาไปที่